พวกัน เ, กเราเป็นหมู่ชนผู้มีศรัทธาเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแลวพากันมาปฏิบัติตามตามสอนนั่นเมื่อทำตามคำสอนดั้นเบ้นข้อที่บันผิด ทำตามข้อที่มันถูกก็ย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในทำที่เป็นเท็จเป็นจริงอย่างไรล้วก็ไปบอกไปสอนคนอื่นให้ทําลองดูว่าทําอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าไมาท่ทาอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนี้ ถ้าทำได้ตามที่พระเจ้าทรงส อ, งสอ น, สอสอนก็หรือว่ามีาคนมาทำขึ้ น, นเกิด ข, ข, ข, ขึ้นในชีวิตของเราตามภูมิธรรมของผู้ปฏิบัติรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้คนรเห็นตามทุกคนใจผู้ปฏิบัติ นั่นชื่อว่าเป็นสงฆ์ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์ที่สุดถ้าปฏิบัติตามธรรมเริวแล้วไปสอนคนอื่นคนอื่นก็รู้ตามเรียกว่าพระสงฆ์ถ้ารู้แล้วไม่สอนคนอื่น เรียว่าปเจกะชนปัเจกะพุทธไม่ใช่พระสงฆ์ตัดช่องงอเฉพาะตัวไม่ค่อยมีประโยชน์สาสนาจะอยู่ได้ก็เพราะมีพระสงฆ์ที่เป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพู้เจ้านั่นแล้วได้ปฏิบัติตามแล้วก็รู้ยิ่งเห็นจริงหรไปสอนคนอื่นให้รู้ตาม ก็อยู่ได้โดยเหตุที่เรื่องขนขวายทั้งสองฝ่ายรู้อะไรก็บอกกันผู้ที่ฟังก็ฟังเอาไปทำดูทำให้ เ, เกิดขึ้นมาฟังแล้วไม่ใช่จำเอาฟังแล้วนำไปปฏิบัติถ้าฟังแล้วจำได้ของปรม ใครก็จำได้ยังไม่ทำไม่เป็นจำได้แต่ปากเป็นภาษานกแก้วนกขนทองถ้าเอาไปทำแล้วมันเป็นไม่ใช่ลูกคำว่าเป็นเนี่ยไม่มีใครสอนเราได้เราต้องสอนตัวเองเชื่อมันหลงไม่หลง มันทุกข์ไม่ทุกข์ถ้ามันเป็นไม่ต้องหัดมันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็มีตรงกันข้ามจนที่สุดมีเกิดต้องมีไม่เกิดมีเจอต้องมีไม่เจอมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บมีตายต้องมีไม่ตายมันเป็นมันไปทางนั้นแต่ทุกข์เป็นทุกข์ไม่ทุกข์เราไม่เปลยนไม่ใชลูต่ทุกข์ไม่ทุกข์ทําเป็นแล้ว เราจึงมีสัทธาเรื่องนี้จริงๆถ้าจะนับถอยหลังไปอีกสอง9ย้าปีก็มีสามัญชนได้ทำเรื่องนี้ในช่วงสั ป, ปดาห์นี้มีสามัญชนที่ศึกษาเรื่องคิีนี้ได้พิสูจน์เรื่องนี้ ถ้าจะมโนภาพดูก็คงจะโดนแรนจากตรงคศิลิกรอนลงมา่างใต้ของแม่น้ำในลังชลาเจ้าหน้นาจจะจับลุกจับนั่งเพราะทรมานกายไม่กินข้าวไม่หงายใจบางครัง้งบางคราวจนผมจนเหลือจะกระหนังหุ่งกระดู ก็ผิดก็เห็นเป็นผิดแล้วยังไม่ยอมตายก็มายอมจะหาเรื่องนี้ออกจากดงคาสิลิถ้ำดงคาสิลิมาทางบ้า น, บานแบสุชาดาหัวบ้านสุชาดาเด่กเกียรตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งนั่งนบนฝั่งล่มไม้ นิโคดต้นนิโคดก็เหมือนต้อนอยู่ที่ลงทานต้นนั่นล่ละอยู่ที่ลงทานวัดป่าสุขกโตนั่นต้นนิโคดเป็นไม้อเอเคียสุดชาดาเห็นว่าเป็นเทพเจ้าถวายเข้ามาตูปญาตก็ไม่ไมีเลี้ยวไม่แรงกะเลยฉันซะเพื่อจะ ดูเรื่องนี่ต่อไปอีกมันคืออะไรขนา จ, จนจับลุกจับนั่งจับขึ้นผังแม่น้ำต้องโสมกัขึ้นบางทีเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเห็นก็อาจจะคิดว่าเป็นคนขาดอาหารอาจจะรีดนมวัวนมควายมาให้ก็ได้พอหลีเลี่ยวไม่แรงบานนั่งก็ยังไม่กิเลสตันหา ตาคาอยู่จังโกรธปัญจวิธียังคิดถึงพิมพาลรหุนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <laughs> ถ้ายังมีโกรกก็ต้องมีหลงไปอีกหลายอย่างพอใจไม่พอใจอก็เห็นตัวเองอก็เลยมามองว่าอาจจะเป็นเรื่องจิตวิญญาณ ที่มันหมกพุดคุนคิดอะไรได้มันเกิดจากความคิดความหลงลอยมาตั้งใจจะดูนี่ลองดูในที่สุดต่อมีเลี้ยแงแมลงเขียนเข้านนองสุจราแล้วก็เปลี่ยนที่ใหม่ต่อแถบนั่นเป็นที่ทุง่งอาจจะมีเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเต็มไปหมดมีทุง่งนา มาข้าวก็เเปลี่ยนที่เดินข้ามฝั่งแม่น้ำแลยลันชลามาฝั่งทิศตะวันตก้อยจ้าคาโสติพามถวายให้ห้ากำมือไม่มีอะไรจะให้ไปเกี่ยวหญ้าก็เห็นเจสักเจโชไปคนเดียวด้วยช่วงนี้แนละ้วปัญจคี น, จ น, นิจากแล้วเห็นจินข้าว บางว่าเป็นคนมากๆไม่มีทางที่ได้ตัดสรลูแล้วทอดทิ้งไปแล้วเตอชักเจอโชว์เดินขึ้นไปบนเนินพุทธคยาอาจจะเป็นป่าดงดิบตน้นไม้ใหญ่ๆเต้าแทงน้ำเนยก็ยังมีอยู่ทุกคนนี้ไม่ย่าขาห้ากำมือเป็นนั่ง กูแขนเข้าเหยื่าแขนออกม่สติต้องดูมันดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นงานมีสติดูมันดูซิไม่เคยดูกายดูใจตนเอง <Okay. S 1> กูแขนเข้ารู้สึกเยื่าแขนออกรู้สึกทำแบบนี้ทีแรกไม่มีหนังสือตำรับตำลาอ่านเอากายเอาใจนี่แหละเป็นตาลาศึกษามันดู ตัวรากายเล่นมันจนหมดแล้วต่อมามันจนหนักแล้วมันมีสติดูชี้ก็จะเห็นมันคิดหรือว่าคําเพลิทางกิจสติก็เป็นนามธรรมให้มาดูกายที่มันเป็นรูปนี่ถ้ามีความรู้สึกตัวมันก็จะไปเห็นความคิดนามต่อนามต้องเห็นกัน นามก็เห็นลูกคือสติก็เห็นกายสติก็เห็นใจทั้งสองด้านเห็นมักนกระทั้งมันคิดมันเคลื่อนไหวทังกิจการเคลื่อนไหวของกายก็คือคู่แขงเข้าตั้งเอาอยู่หลักบนนี้อย่าแขนออกรู้สึกตัวอยู่นี่มันยังคิดไปกับรู้สึกนี่เป็นฐานเป็นที่ตั้ ง, งก็เห็นเงื่อนไข ในหลักฐานเบื้องต้นได้ทิศทางเปรียบเทียบกับตัวเองเหมือนกับไม้ไผ่เอาไปไม้ไผ่ที่แค่น้ำย่อมสีไฟไม่เกิดคนทุกวันนี้อาจจะไม่รู้จักคาว่าสีไฟรู้จักไหมฮะ ทำไงสีไฟอไม่ไฟมันเกิดจากไม้ไผ่แห้งๆมาสีหาไฟได้แบบนั้นคนวราณไปไล่ไปน้ไม่มีไม่ไม่มีไฟเหมือนทุกวนันนี้ต้องเอาไม้ไผ่มาสีมนแผงแห้งสีกันเขา้าก็เกิดเป็นไฟขึ้นมาเมื่อไม้ไผ่นั้นมันเปียกด้วยน้ำก็ย่อมสีไฟไม่เกิด เปรียบเทียบวิถชีวิตของตนเองมันจุ่มกับความโกรธความโลภความหลงมันจะมีความไม่โกรธไม่โลภไม่หลงได้ยังไงเหมือนไผ่ที่แช่น้ามันเปียกมันก็ไม่เกิดไฟชีวิตคนเราก็เปรียบเทียบร้อยๆอย่างมันจุ่มยังไงมันเปิดมันเพื่อนมันเป็นยังไงภาคออกมา เอาไม่ไผ่ขึ้นน้ำไม่ไผ่ก็ยังไม่แห้งสีไผ่ก็ยังไม่เกิดตอนนั้นมันก็สอนตนในแบบไม่ไผ่เอาไม่ไผ่เป็นครูคิดได้ทิศดีเอาไม่ไผ่ต้องแห้งจึงสีไผ่เกิดขึ้นได้ก็มาฝึกตนเองอย่าไปจุ่มอะไร ให้รู้อย่างเดียวความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเข้าแนเข้าแขนออกแล้วก็มีรู้อย่างเดียวไม่พาดไปที่อื่นตัวที่สุดก็โจิดย้อนบทเพลง่นวาสานุสติยาอนเมื่อก่อนเป็นอย่างไงเดี๋ยวนี้เป็นยังไงคิดถึงตัวเองรู้ตัวเองมากที่สุด ยหลงคอยทุกคอยโกรธคยรักคอยชัง บ, บุพเพนีบาสานุสติยาณคิดและลึกไปที่เดินผ่านมามันเป็นอย่างไรชีวิตเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไงจุตุปจัจจยานเปรียบเทียบกับปัจจุบันเป็นยังไงต่างเข้าไหม เคยคิดถึงเพิมพาเคยคิดถึงลาหวนเคยคิดถึง พ, พคคงระราชาเสือเสด็จคารคิดถึงประชาชนเาราดูคิดถึงเสาสนมกำนันน่ยคิดถึงพระเจ้าจากักรพรรดิที่อยู่ในกำมือภาคมาไม่เลยไปเหมือนก่อนรู้อยู่เสมอตุ๊ตุ๊ปัจจ<ำ>ัยอยู่เนี่ย<ำ>ไม่ปไหน เข้าฉัเข้าอย่าฉันออกอยู่ไหนรู้อยู่เนี่ยอันตัวคิดตัวหลงไปนั่มันไม่ใช่ไม่เป็นจริงนั่งอยู่นี่มันคือของจริงคือรู้อยู่นี่เป็นจริงว่าที่รู้จักอยู่นี่เพราะว่าที่รุกนี่มันก็ไม่เหมือนกับไผ่ที่มันแห้งมาแห้งมันไม่เปียกมันไม่ไปจุ่มไปแค่ละตอนที่จุ ก, กอ่ะสวัสดียายา ทำลายกิเลตัณหาหลาคกะลงได้ใช่ไม่ได้จะให้หลงเป็นหลงใช่ไม่ได้จะให้โกรธเป็นโกรธจใหทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์ผู้คคิดเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดอะไรที่เกิดจากความคิดปุ้งแต่งเป็นสมุทยัยถ้าไม่เกิดปุ้งแต่งขึ้นมาเป็นไปไม่ได้เยียวว่า ต่างเก่าพ้นพระวดเดิมนี่วิปัสสนาเกิดขึ้นที่นี่แล้วในวันเพ็ญเดือนหกอีกสองสามวันเน่แต่ว่าได้เป็นมาแล้วเกิดขึ้นกับสงมันฉนคนหนึ่งนานสองนห้ารยเก้า้าปีถึงวันนี้ เราก็ไม่ใช่แบบงมเศร้าๆเราทําตามรวมเท็จความจริงๆเหมือนกันหมดชีวิตของพระพุทธเจ้ากับชีวิตของเราก็ไม่ต่างกันมีรูปมีนามเหมือนกันมีร้อนมีหนาวมีปวดมีเหนื่อยมีเก็บอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราเวลานี้ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนเหมือนกันหมด เหตกายก็เป็นกายเหมือนกันหมดเป็นธาตุสี่เหมือนกันหมดน้ำก yeah> ็คือมันคิดมันร่อนมันเหนาวมันลูดและได้เหมือนกันหมดฉุกก็เหมือนกันหมดทุก็เหมือนกันหมดหลงก็เหมือนกันหมดอะไรก็เหมือนกันหมดหิวข้าวก็เหมือนกันหมดหิวข้าวก็กินข้าวเหมือนกันหมด กลางคืนกลางวันก็เหมือนกันหมดเราปฏิบัติเราเดินตามรอยตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นเหมือนกันเห็นกายก็มีกายเหมือนกันเวทนามันสุขบรทุกไปในกายก็มีเหมือนกันเวทนามันสุขบรทุกในจิตใจก็มีเหมือนกันว่นวุงเหงาหอนอนก็มีเหมือนกัน ความคิดพุ่งจ้อ น, ก, นก็มีเหมือนกันความดังเละสงสัยก็ไม่เหมือนกันทานทนี่เหมือนกันความสงบก็มีเหมือนกันความพุ่งจ้อนก็มีเหมือนกันความผิดก็มีเหมือนกันความถูกไม่เหมือนกันแก่ผิดเป็นถูก ก, แก็แค่เหมือนกันเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงก็ ทอมเหมือนกันเปลี่ยนทุกเป็นมาทุกก็เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันตรงที่เราไม่เปลี่ยนสิ่งที่เราหลงผู้ที่เปลี่ยนเขาก็ไม่หลงแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนความหลงให้เป็นความรู้เราก็หลงเหมือนเดิมเป็นปุุเพรนว่าสารนัสติยานไม่ได้ เพราะมันไม่ต่างเก่าไม่เห็นแต่ก่อนไม่เห็นปัจจุบันยังเป็นอันเดียวกันอยู่เพราะไม่เคยรู้ในความหลงไม่เคยรู้หลงที่ใดก็เป็นหลงทุกทีไม่มีบุพเพณิวาสานุจติยานยานไม่เกิดได้เห็นความหลงมาได้เป็นผู้หลงนี่กำลังจะเกิดยานขึ้นแล้วเห็นหลง ไม่เป็นผู้หลงห้นจะความหลงดังนี้เรียกว่าเหมือนกันหมดปฏิบัติเหมือนกันหมดไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องเอาอะไรมาอ้างทําอันนี้ไม่ถึงไม่มีสิ่งที่อ้างอ้างว่าหนุ่มอ้างว่าสาวอ้างว่าเท่ า, าว่าแกอ้างว่าเป็นนักบวชอ้างว่าเป็นฆราวาส จะเลือกงามยามดีไม่ใช่ในการเวลามันความหลงไม่มีเท่ามีแก่ไม่มีลืกมีเวลาเวลาใดก็หลงได้จึงมีแต่การปฏิบัติที่ทันสมัยกับเรื่องนี้เท่านั้นทันสมัยจริงๆปฏิบัติเนี่ยเวลามันหลงรู้ขึ้นมาเนี่ยไม่มีคําว่าการเวลาตากาลิกธรรม ตึงน่าจะมีกำลังใจกระตือรือล้นดาในฐานะแบบไหนเปรียบเทียบกับคนอื่นบ้างมีแบบอย่างอย่างน้อยเราก็มีธรรมวินยัยปฏิบัติชอบตามธรรมวินยัยหมู่ชนผู้เชื่อฟังคำสอนของพระเจ้า มีศรัทธาแล้วพากันปฏิบัติชอบตามธรรมว้ไหยเนี่ยสุทธิอันเนี้ยปฏิบัติชอบตามธรรมว้ไหยความหลงไม่ใช่ธรรมควมไม่หลงเป็นธรรมเมื่อมีความเป็นธรรมมันก็มีแบบที่ทําให้ไม่หลงที่ ว, ว่าแบบแผนบิไนวิคือวิเศษในเยอะนําไป สู่ความวิเศษสู่จุดหมายปลายทางถึงที่หมายพ้นได้ทุกอย่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยสิ่งที่ดุดพ้ลสิ่งกาหนดรูด้วยการรู้สิ่งที่ต้องบรรเทาตามดำดับของสภาวธรรมที่มันเกิดขึ้นมามีระเบียบไม่ใช่เป็นทุกทั้งหมด วิ่งไหเกี่ยวกับจริงต่างมีวิ่งไหนเป็นระเบียบที่ใช่ในการในใจของชีวิตเราไม่ผิดฝาผิดหนังไม่ยุ่งเหยิงกับจริงใดคนอื่นบุคคลอื่นมีระเบียบที่ปฏิบัติถูกก็หลงไม่ถูกก็มไม่หลงมันถูกเป็นวิไหนทำมวิ่งไหนปฏิบัติตามทำไม่ได้ ความทุก์ไม่ถูกความทุกข์ถู ก, ถกแล้วเบียบเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรมากมากสมัยก่อนนี่เจถ้าพระพุทธเจ้าจะรับปวดให้เป็นพระสงฆ์ขึ้นมาก็เพียงแต่ว่าคนรบทผู้มีะถาอยากปวดตามเพียงแต่ว่าจงเป็นพระภิกษุมาเถิดทอาไม่ไหนเราตัดไว้ดีแล้ว จงพาการปฏิบัติตามทําให้หนายนั้นให้เป็นที่ทิ่นทุกเถิดมีเท่านี้ต่อมาเมื่อมีคนบวชมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ไม่ไม่ปฏิบัติตามทําให้หนายที่เป็นข้อปฏิบัติจริงๆในการในใจก็เลยบัญญัติขึ้นมาแจ้ภ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ิกษุผู้เกอ้อยากผู้ดื้อด้าน มีระเบียบขึ้นมาเพราะเอาโคกล้ อ, อมไม่เหมือนหัวควายที่มันดือ้อต้องล้มโคกถ้าไม่ดื้อก็ไม่ต้องล้อมชีวิตของเราเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยดื้อนะถ้าเราดูดีๆไม่ดื้อหรอกไม่ด้วยจากเข็ดหลาเป็นบางทีผิดทาไมเป็นถูกได้ ถ้าคนดื้อก็ด้านตรงนี้เหมือนกันนะเวลามันหลงก็ด้านในความหลงเวลามันโกรธก็ด้านในความโกรธไม่อายคนเวลาโกดสแสดงใบหน้าออกมาได้สแสดงคงพูดออกมาได้ขีดามัญาตออกมาได้เก้าเล่าออกไปได้่อโทษขอเถือนต่อตัวง ก็ทบกระเทือนต่อคนอื่นได้ถ้ามีสติมากค่อยๆเชื่องลงมันเห็นแม้จะเห็นความหลงก็ออยถ้ามีสติที่มันเป็นสติปัฏฐานถ้ามีสติก็ไม่เห็นความหลงไม่ออยความหลงถือว่าเป็นวงเล็กน้อย ผู้มีสติเห็นความหลงเป็นของยิ่งใหญ่เป็นจุดเกิดของความชั่วทั้งหลายเป็นปิดามันดาของความชั่วทั้งหลายความหลงมาเฉลี่ยหน่อยถ้าผู้ไม่มีสติเป็นปุถุชนถือว่าเป็นธรรมดาความหลงเป็นธรรมดา ยอมรับความหลงได้ไม่รู้จักว่าผิดว่าถูกแล้วบางทีก็ทําตามความหลงจนเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาได้ไปไกลทบางท่านเนี่ยมันเป็นต้นเหตุมีสติเท่านั้นเที่มันทันสมัยที่ไปเห็นหลงโบมันไปนคู่กับความรู้ความหลงเป็นคู่กันพอดี จับคู่ได้พอดีเมื่อมีหลงมีรูปอย่างนี้ก็อยู่ในทางปฏิบัติต่อเป็นงานปฏิบัติเกิดขึ้นแก่รูปแก่นามเป็นภาพปฏิบัติโดยตรงไม่ใช่รูปแบบถ้ามีสติ เป็นหน้าโลกเราต้องดูแลตัวเองคุม้มทั้งกายทั้งใจเหมือนเรารู้แลปกครองทรัพย์สินเงินทองของเราไม่ให้เป็นของเถื่อนสิ่งที่เรามีเจ้าของสิ่งใดมีเจ้าของดแลก็ยังมีอยู่เป็นปกติปฏิบัติธรรมคือดูแลกายใจให้มันคุม้มเรียกว่าสตินี่แหละ มาช่เรื่องอื่นมาผ่านสติทั้งหมดสติเป็นป้อมปากาอนเหมือนลักษสาะประเทศชาติอะไรมันจะผ่านมาทางนี้ห่ะถ้ามีสติเป็นหน้าโลกไม่เผลอแล้วเห็นทุกเรื่องถ้าไม่มีสติจะไม่เห็นไม่เคยเห็นความคิดตัวเอง บ่อให้มันเข้าออกเถื่อนเถือ น, ถ, อนถ้าเป็นจิตก็เป็นจิตเถื่อนถ้าเป็นกายก็เป็นกายเถื่อนเมื่อจักลักงวนสงวนตัวจิตก็เป็นโสเพณีจิตตายก็เป็นโสเภณีกายสองส่วนใช่ทำบาปทำกรรมใช่ทำชั่วอะไรก็ได้ เมื่อเินได้มาสอสอนก็ป่าเถื่อนเป็นทางผ่านของพ่วงชั่วล้อยเหมือนทางผ่านของโจนงาทิเลกกต้อนลอบกายต้อนลอบพววงป่าเถื่อนกินเล้ามอยา จิตใจก็ต้อนรับความป่าเถื่อนกิเล่นตั้หาโลภโกดหลงต่อให้โกรดก็โกรดไปความโกรดให้ทุกโกรทุกให้สุ ก, ก็กรธสุก แ, แต่เราเจะไปใช้ ส, สอนมามีสติไม่เห็นความคิดเนโอ้ก็ตือรือลลนอายุสามสิบปีไม่เคยเห็นความคิดไม่เคยช่วยความคิดจิตใจตัวเอง น้ำต่ซึมเนาะถ้าเห็นความคิ ด, คดเห็นความชั่วเห็นความคิดที่มันเกิาาดธรรมบารมจิตเป็นทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความคิดต้งสอนตัวเองไม่เคยช่วยจิตใจไม่เคยช่วยกายกายใจเบียดเบียนกันตลอดเวลาอิจขึ้นมาก็นอนไม่หลับเป็นทุกข์ทั้งกายกินว่าได้ ความทุกข์เกิดจากความคิดเกือบจากเ้าสบเปรนพอมาเห็นความคิดเนี่เอาแล้วบันนีมั่นใจในการใช้ชีวิตได้หลักวิธีการเบินชีวิตที่ชัดเกณฑแม่ยอมปลอดภยัยมั่นใจเหมือนคนใช้เลยเป็นมั่นใจคนขับรถก็มั่นใจในรถของตนเอง การทางานก็มั่นใจในเครื่องมือทํา ง, งานของตนเองเรามีกายมีใจหลงมั่นใจที่ใช่กายใช้ใจให้สุขคิดถูกทางมันเคยหลงเพี้ยนไม่หลงได้อย่างงดงามมันเคยทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์ได้อย่างงดงามกระตือรือร้นมากไม่ปล่อยตัวเองเพีงสงสารตัวเองก็สงสารคนอื่น สงสารต si si mm ัวเองไม่เป็นละไม่สงสารคนอื่นเห็นความหลงเนี่ยคนอื่นหลงก็เป็นเช่นนี้เห็นคนอื่นโกรธมันเกิดจากความหลงแต่คนเหตุโคตรโกรธก็ไปโกรธกับคนโกรธเห็นคนนั่นเป็นคนไม่ดีมันมองไปเห็นปลายเหตุ พอมาเห็นความหลงที่มันเกิดกับตัวเองเห็นความโกรธความทุกข์เห็นชีวิตที่หาเกิดจากตัวเองก็เห็นต้นตอของชีวิตของคนกันใดหลงก็เป็นคนที่น่าสงสารคิดจะช่วยเหลือก็ลูกก็รู้จักว่าเขาหลงไปบินท บ, บาทเพื่อนหลงก็คิดจะช่วยเพื่อน ช่วยตรงๆไม่ได้ชวนอย่างอื่นคิดจักจะช่วยเวลาเขาพูดไม่อยู่ในวิสัยของสำนาเวลาปฏิบัติธรรมทำทำ่าสงบเงยหยิแต่เวลาหลงแสดงออกมาไม่ได้ปฏิบัติในวาาละที่มันหลง ในความหลงก็เป็นความหลงแต่พฤตอเพื่อป่าเสียหนย่อยเจียดายเพื่อนน่าจะไม่หลงแค่นี้น่าจะไม่หลงแค่นี้น่าจะไม่ทุกต่างทีก็ร้องให้หนาวปีห้าร1อยสิบหนลสิบองศาใบบินทบาบด จะไหนอยู่มึงเลยนะไม่ชค้าน้อยศูนย์ลบสิ บ, บ, สบเนนน้อยร่องให้เดินไม่ได้มองกลับเขินไปเห็นเนนลงให้อยู่เดินไม่ได้ อ, นน อ, อุ่มบอดเดินไม่ได้ด น, ไไดน้าตาเชืมเดินไม่ได้ก็ไปกอดช่วยกันกอดให้มีไอออน เาชี่ไปกำลังจะขึ้นถนนกำลังจะขึ้นถนนผ่านทุ่งนามาป่าพางเน่ยเขาพลทั้งป่ามีหิมะจับขาวไปหมดเลยไปแกะดูพางเป็นเปลือกเป็นเปลือกเป็นป้องอ้อยมันเปลือกอ้อยแกะออกมาเป็นน้ำแข็งแล้วก็บอกให้เนร เน้นเนนเขายังขีบจักรยานไปทำงานในเมืองเขายังขีบจักรยานได้ได้ไปๆพวกเราไม่ต้องกลัวจับแขนก็เราแขนตื่นขึ้นมาอากาดหนาวศูนลบสิบเหยียบพื้นดินมันก็เหยียบไหวมันความร้อนกลามความเย็นกลายเป็นความร้อนนะแล้วก็ เมืด่อดาวนี่ก็มงงทำงานงงที่ความร้อนมันก็มีร้อนมันก็มีหนาวมันไม่จนสมงนั้นบางทีก็หลงจนลองให้หนาวมากแต่ว่าจอก็เปสนกระทบกระเทือนหน้าผากลอกหมดเลยเหมือนไฟลวแกแฉ่งออกว่ <laughs> หนาวเนี่ยมันมันลวกนะใบไ ม, ไ ม, ไม้ลวกทั้งป่าเลยนะนี่อะไรก็ตามเอาไปเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยมันไม่ใช่หนาวก็ไม่เป็นทุกข์นะร้อก็ไม่เป็นทุกข์นะใช่ได้ไหมใช่ได้แล้วเพื่อนเป็นไงเพื่อนก็เป็นทุกข์หนาวเป็นทุกขนะ์เถอมันน่าไม่อาจะเป็นทุกข์นะ อืก็รู้จักว่าอปฏิบัติธรรมน่ยมันทันสมัยมันช่วยกายช่วยใจช่วยรูปช่วยนามหนาวไปทุกใจล่อนไปทุกใจโกรเป็นทุกข์กายใจโกรธเป็นทุกข์กายเปรียบเทียบกันเพราะมารู้ควมเท็จความจริงมันมีระเบียบ ไิ่หนอของลูกของหนําไม่ผิดวาผิดหนังไม่เปบียดเปลี่ยนกันสามังคีกันเป็นหนึ่งเดียวกันควกคุมได้ง่ายดูเลยได้ง่ายเหมือนกับสิ่งเดียวกันเหมือนกัดสิ่งกระจุยกระใจมาเอาเป็นนันเดียวกันเหมือนเช่นได้ร้อยดอกไม้ บิณยเหมือนเช่นได้รอยดอกไม้ดอกไม้ต่างต้นต่างโกต่างสีต่างกลิ่นเมื่อมาเข้าเช่นได้เป็นระเบียบกายใจของเราเนี่ยก็เหมือนกันแม่มันจะมีอะไรที่มันเกิดกับกายมากมายเกิดจากใจก็มากมาย แต่ถ้ามีวิหนยมีพิธีปฏิบัติต่อกายโต๋ใจตามความเป็นจริงเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในกำมือมั่นใจในธรรมวิ่หนัยขับเคลื่อนยิดของตนเองไปถูกฝ่อถูกป่องไม่ไปทางอื่น ถึงก็บหมายปลายทางความหลงไปสู่ความไม่หลงทันทีทีใดก็ทีนั้นความทุกข์ไปสู่ความไม่ทุกข์ทันทีทีใดที่นั้นเมื่อไใดเมื่อนั้นไปสู่ความจริงเสมอมีศรัทธาตรงนี้มากมีศีลก็มีตรงนี้มีสมาธิก็มีตรงนี้มีปัญญาก็มีตรงนี้รอบรอบโลดอยู่ไลยบริสุทธ หมดจดสิ้นเชิงเรื่องกายเรื่องใจน่ยจะเป็นทุกข์เป็นโทษจะเป็นมีคุกปิตาลางทำใหม่จะต้องมีตารวจทหารทำใหม่มันมีข้อปฏิบัติต่อกายต่อใจที่ถูกต้องอยู่เหมือนกันหมดเหมือนกันทุกขชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันเน่ยโยเอตตะทะคักคือเป็นหนึ่ง ในการรักษากายใจที่เป็นรูปเป็นนามเนี่ยจึงมั่นใจมั่นใจในธรรมวิไนธรามน่นี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้มัน ม, มีอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมาจากกาปวัตสูตรโปรดปัญจวัคี ตอนหนึ่งพระพุทธองค์แสดงตอนที่โกนธัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมได้แสดงออกมาว่ายังกินจิสมุทัยธรร ม, มังสอบพันธังนิโดธรรมมันติจึงได้จึงหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมราสิ่งนั้นก็ย่อมมีความดับเป็นธรมรมดามันมีมามันก็เกิดขึ้นมาเพื่อดับมันเกิดมันดับอาการเกิดดับ ที่หลวงปู่เทียนท่านแสดงอยู่เสมอนะีที่มันถึงจบเนี่ยคือเป็นอันป็นอาการเกิดดับจึงได้จริงหนึ่งเกิดขึ้นจึงนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาจิตที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเนะี่ยไม่ใช่ตัวใช่ตนสิ่งที่มันไม่เป็นอะไรเนี่มันต่างหากมันจะม่เห็นการเกิดแก จ, จะตาได้อย่างไรทําได้ทุกคน วิธีปฏิบัติก็คุยทางเชเวได้แล้วมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงนี่เหยียบมันไปลุยมันไปแหลกเลย โ, โ ม, โมห่หลงอมอยแหลกเกีย <ใน S 2> รติหาแหลกตรงนี้อามโลโก้หลงแหลกไปตรงนี้เหยียบได้แล้วมันทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกเสร็จเลยมันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธ เสร็จไปเลยเป็นลอยไปแล้วลอยไปแล้วทีใดที่นั่นก็เป็นลอยไปเหมือนเราเดินทางเป็นลอยไปเกลียบไปหล ง, ลงเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงผู้เจ้าความหลงลอยแห่งความหลงมันจะมีเหรอมีลอยแห่งไหนหลงก็มีลอยแห่งความรู้ไปแล้วเป็นไปได้แน่นอนตรงแน่ว ยาสละสุดย่าเฉยตรงนี้มันทุกเลยนั่นแหละมันคิดมากนั่นแหละมันดีแล้วจะได้เห็นมันคู่คู่ชกคู่ซ้มมันจะเป็นเชี่ยมตรงนี้ใช่ไหมถ้านักกีฬาไม่ได้ชอบมันก็เป็นเชี่ยมได้ถ้าบางคนไปมาคิดมากอั่นแหละมันดีอย่าไปนึกว่ามันไม่ดีนะ ปงงเป็นนั่งสงบเสร็จเลยนะเป็นศิลาทับเจ้าพระกรรมาฐานตั้งหลายตายอยู่ในความสงบจำนวนมากหลังคตเป็นอมภภาพนั่งอยู่ตลอดเวลาต้องยืนเดินนั่งนอนต่อบัญชิดมากนะยิ่งเก็มันรู้มากมันเป็นคู่ทรม ถอดมันมาจากโ่มเนี่เก่งขึ้นมารื่หลงเป็นคู่ซ่องของความรู้มันได้ความรู้ํานานเพราะมันหลงหลงจเทไรรู้ที่นั่นอะไรที่มันไม่ดีเปลี่ยนดีที่นั่นไม่ต้องขอญาติมันต้องขออภัยจากใครสิทธิของเราร้อยเเซ เยียบมันไปวิธีปฏิบัติไม่ต้องไปเมื่ อ, อไรไม่เจ้าถึงเป็นจะเป็นยังไงดูทาเป็นยังไงมรรคผลที่ผานเป็นปยังไงไม่ต้องไปคิดเป็นอย่างไรอย่างไรคาว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรไม่มีในหัวใจมีิตรว่ามันหลงเตมันหลงไม่เป็นผู้หลง ถ้ามันหลงที่ใดมันทุกข์ที่ใดมันโกรธที่ใดมันคิดอะไรมีแต่ทำวิธีเดียวไม่มีอย่างอื่นเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ไปใช่ไม่ใช่หลายอย่างใครก็ทําแบบเดียวกันหมดรู้ก็รู้แบบเดียวกันหมดรู้ทําก็เหมือนกันหมดถ้าเป็นธรรมที่เป็นของจริงเรยาวลีสัตว์อันจริงเป็นอันเดียวกันหมด ถ้าไม่ใช่ทองจริงก็เป็นคนละอย่างบางคนแปวนิมิตมาพูดให้การฟังเรานน่นไม่จริงจริงเช่นบ่าคนที่เห็นคนที่ไม่มีนิมิตก็มีอย่าไปเอาคนที่เกิดนิมิตมาเป็นแบบจกักมันไม่เป็นก็ได้นิมิตมันไม่เกิดก็ได้ โดยเฉพาะการเจริญสติปัฏฐานนี่ไม่ค่อยมีนิมิตเคยไปสอนธรรมที่จังหวัดจันทบุรีมีสำนักปฏิบัติธรรมเมาขอสอนให้เห็นธรร ม, ม ก, กายแล้วก็ให้สอนลองดูขอพูดเจ้าหน่อยได้ไหมแล้วก็จับโกแก้วขึ้นมาให้คนทั้งหลายไมองดูโลกแก้วด้ว เห็นโแก้วไหมทุกคนก็เห็นเห็นทุกคนเนะดูให้ติดตานะไปฝึกไหมดูให้ติดตานะโลแก้วนะฟังรับตาดูที่เห็นไหมหลับตาดูบางคนก็ไม่เห็นต้องดูให้ติดตานให้มองให้มันเห็นติดตานะับตาดูก็เห็นก็ก็เลยตอบว่าเห็นหลับตาดูก็เห็นถ้าคิดอะ แต่คิดเห็นก็เห็นถ้าตาเห็นเป็นจริงๆก็กมาเห็นแต่คนก็บอกเห็นเห็นเห็นก็เห็นเห็นไปเอาโลแก้วเข้าในจาะหมูเลื่อนลงมาเจาะคอเลื่อนลงมาหน้าอกลงไปแล้วลงไปแล้วมาที่จะดือลงไปแล้วยกโลแก้วเลยไนมาเหนือจะดือสองนิ้วให้ประดิกรรม สมารหังสมารหังจะเห็นธรรมกายก็พยายามสอนก็สอนอยู่เพราะเวลาสามสิบนาทีจะต้องเกิดธรรมกายแน่นอนแล้วสามสิบนาทีก็ไม่มีใครเกิดธรรมกายก็ติต่ออีกสอนสิบนาทีก็ไม่มีใครเกิดธรรมกาย เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้สอนอ 70, 80, 80คนต้องเจ็ดสิบแปดสิบคนในถ้าเป็นชั่วอโมองต้องเกิดธรรมกายต้องไม่น้อยกว่าคนสองคนสามคนทำไมจึงไม่เกิดธรรมกายเป็นอย่างไรก็ลองพ่อพวกรวบอโอ้ที่นี่เขาเจริญสติการถ้าไม่เกิดนิมิตแบบนั่นขห็นรูปขึ็นนามมันจึงไม่เกิดนิมิตแบบนั่นขึ้นมา นั่นเป็นส่วนหนึ่งเห็นรูปเห็นนามเห็นความหลงเห็นความไม่หลงเนี่ยเห็นความผิดเห็นความถูกเห็นความง่วงที่มันเกิดขึ้นทุกคนเนี่ยมันคิดเห็นมันคิดเนี่ยไม่เป็นผู้คิดไม่เข้าไปในความคิดเนี่ยมันจีเข้าไปหาอาริยสัจสี่ได้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาได้ ตัดกิเลสตัณหาได้ตรงนี้ดับความโลภความโกรธความหลงได้เพราะมันมีความรู้เข้าไปเห็ น, น, หนจริงที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามเนี่ยเป่นรูปเห็นนามเนี่ยตามความเป็นจริงรูปที่มันทุกข์กทั้งหม ด, หมดเห็นหมดทุกข์ที่เกิดกับรูปทุกข์ที่เกิดกับนามเห็นหมดมาให้เห็นหมดไม่ปิดบังเปิดป<ร>เผยมาดูจริงๆเนี่ย จับขึ้นมาดูมันดูที่มันเป็นอย่างไรเนี่ยเหมือนเราจะศึกษาเหมือนนายแพทย์ศึกษาการแพทย์เอาศพมาันพาดูจริงๆเนี่ยแต่ว่าไม่พาไปมากมาเอารูปมาดูเนี่ยดูมันจะเกิดอะไรขึ้นมาอาการธรรมชาติมันเปอะไรบ้างนี่จะเห็นมันเรียกว่า คุเห็นไม่ใช่แบบคิดเห็นเห็นแล้วทำางเห็นแล้วก็เห็นบางอย่างกำหนดรู้โดยการรู้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรกับมันเช่นหายใจเข้าหาใจออกหยุดลมหายใจมันไม่ได้มีแต่กำหนดรูปบ่อยเอาบางเป็นประโยชน์ ทุกส่วนของร่างกายออกมาเป็นวัตถุอุปกรณ์ผิดความรู้ได้เท่านั้นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างหยาบก็ยกมือเคลื่อนไหวขู่แขนเข้าเหยียดแขนออกอย่างกลางก็มาหายใจเข้าหายใจออกปิบตาเกินน้าลายอย่างละเอียดคือมันคิดสติที่ไปเห็นความหยาบ ส ต, ติไปเห็ น, ลนกลา ง, ลาลางเห็นลงมาจากสติตเห็นความคิดบางที่อยู่ๆจะไปบังคับความคิดเลยมันก็ไม่ไม่ได้ส ต, ติยังอ่อนอสู้ความคิดไม่ได้กลายเป็นความเบื่อเจ็ดหลับไปเลยไปเจอความคิดไปบังคับให้มันคิดให้มันสงบถ้าจะต้องการมันสงบไม่ต้องไปบังคับความคิด เคฝึกเคยสอนให้เป็นตัวแข็งได้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธตามลมเข้าตามลมออกหายใจเข้าพุทถอยใจออกโธบริกรรมเน้นเข้าไปเน้นเข้าไปหลับตาตอนใช้ตัวแข็งก็ไม่หายใจจะแคบเดียวมันก็แข็งทันทีแต่มันไม่ได้ประโยน์ อ, อะไร นี่ไม่ต้องให้เป็นอย่างนั้นให้มันรู้ให้มันตื่นออกมาดูมันจะว่ากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่สมถกรร ม, มฐานสมถกรรมฐานเกิดก่อนพุทธศาสนาร้ยอยพันปีเช่นอุตกดาบดัาลดาบทอะไต่างๆเกิดมาแล้ววิปัสสนาเกิดดินเพนเดันหกดั้นละ่ะ ได้สองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าปีนี้ที่ปัจนาเกิดตรงนั่นลูกแขนเข้าเหยียบแขนอกเนี่ยลูกศตัวเนี่ยามตามพระเจ้าสอนนั่นละ่ะน้อยพระเจ้าอยู่ตรงนี้แน่นอนมีรู้มีหลงมีทุกข์มีไม้ทุกข์ไปเดี่ยไปเหยียบไปตรงเนี้ยวันนั่นวันนี้ ในช่วงสั ป, ปดาหนี้ให้มีผลกระทบต่อเราด้วยจากสัมัมชนคนหนึ่งที่ปฏิบัติแบบนี้เกิดเป็นพผู้ที่เจ้าขึ้นมาได้มีพระธรรมเกิดขึ้นมีพระสงฆ์เกิดขึ้นจนมีมาให้เราอยู่ในทุกวันนี้เกิดจากวันนี้จากวันนี้ใกล้ๆเนี่ยตอนนี้กี่ค่ําแล้วลนะ ตือนรุ่นจังหน่อยเตรียมรับวันเตรียมรับพระพุทธเจ้าพวกเรานะมีผลกระทบต่อเราไม่ใช่เป็นส่วนตัวของผมเพื่อทุกชีวิตการตัดสู้ของพระเจ้าเนี่ยเพื่อทุกชีวิตที่เกิดมาเนี่ยเมื่อเราก็อย่าสละเชิดจะทำในใจทำไม่ได้ก็ทำในใจต้องถือว่าได้แน่นอนก็คือเราตัวเราเนี่ย ไมีคุณทรมเหมือนพระเจ้าอยู่เมตต า, าที่คุณกล้าาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณในรูปในนามของเราแนย่ยาสละจิตเจ้ามันก็รลยให้ไม่กำลังใจม า, าเป็นไม่เป็นเพื่อนกันไม่ใช่เป็นครูอาจารย์ทำแบบเดียวกันน่ไม่ผิดแน่นอน นบผิดชอบถ้ามีสติเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เปลี่ยนสุขเป็นไม่สุขเปลี่ยนอะไรทั้งแต่เป็นรูปเป็นรูปไปทั้งหมดลาบไปเลยแล้วไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความรู้จึกตัวจนที่สุดไม่เป็นอะไรกับป็นอะไรมันผ่านมาหมดแล้วถึงจุดหมายปลายทางไม่เป็นอะไรกับป็นอะไรเพราะทำไมจึงไม่เป็นอะไรเพราะมันผ่านมาหมดแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเอง สิงที่มาเกิดขึ้นกากายใจหมดปลืกแสดงมาหมดถ้าจึงไม่เป็นอะไรกับมันจนในที่สุดมันแต่มันเก็บมันตายก็ไม่ไปเป็นอะไรไปกับมันเพราะเห็นมันแล้วควมเพิดความเพียงเป็นอย่างนี้มันก็จบเท่านั้นเองชีวิตของเราไป่ไม่มีอะไรที่ต้องไปอดไปทน ไปทำกับตัวเองให้เป็นเคยเดือดร้อนของคนอื่นมีความสงบร่มเย็นเป็นสติภาพเป็นคนคนเดียวกั น, น, นทั้งโล ก, โลกอยู่ด้วยกันความสงบคือธรรมะเป็นอย่างนี้เอง